การอยู่คลุกคลีด้วยหมู่การอยู่ในวงสังคมเนี่ยอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปชีวิตมันก็คแคบนะมันก็มีเรื่องต้องคิดต้องทำมีหลายอย่างหลายแนวเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงสันเสริมการหลีกเว้น การหลีกเร้นการที่ได้ปลีกวิเวทออกมาอยู่แต่โดยลำพังไม่ต้องมาคลุกคลีด้วยหมู่คนผู้คนให้มันวุ่นวายพอได้หลีกเร้นได้อยู่คนเดียวมันก็ทำความสงบใจได้ดีภาสสที่มีมันก็ไม่ได้เป็นภาสสที่ เปี่ยมไปด้วยโลภะโทสะโมหะราคะมากเท่ากับตอนที่อยู่ในวงของสังคมพออยู่คนเดียวอยู่วิเวกคนเดียวมันก็อยู่กับธรรมชาตินั่นแหละอันที่เราได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆนะออกไปปลีกวิเวกบ้างมันก็ทำให้เราได้พักจิตพักใจเวลาใจที่ไม่ได้ต้องไปคิดคหนึงถึง หมู่คณะไม่ต้องไปคิดถึงหน้าที่การงานเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยใจได้อยู่กับธรรมชาติรอบๆตัวต้นไม้ใบหญ้าป่าเขามันเป็นภาษาที่มันไม่ได้หนักกับจิตใจมากจนเกินไปแล้วการที่เราได้เห็นธรรมชาติที่มันไม่ได้ปรุงแต่งไปตามสมมติมากมาย ที่เรียกว่าไม่มากมายเพราะว่ามันก็เป็นสมมุตินั่นแหละอย่างต้นไม้มันก็เป็นการประชุมกันของ่าสี่เหมือนกันไม่ต่างอะไรจากคนจากสัตว์มันก็ยังเป็นสมมุติแต่มันก็เป็นสมมุติที่มันไม่ได้แบบทำให้เราหนักใจมากมีอารมณ์ทับถมกับจิตใจมากเท่ากับสมมุติของการอยู่ในวงสังคมสมมุติของการที่เราอยู่ใน วุ่นวายไปกับหน้าที่การงานนะอันนั้นมันเป็นสมมุติที่วุ่นวายแคบหนักเป็นภาระต่อจิตใจแต่การที่ได้ปลีกวิเวกหรือเร้นอยู่กับธรรมชาติป่าเขาต้นไม้ลเนาไพรเหล่านี้เนี่ยมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ต้องไปปรุงแต่งมาก ไม่ต้องไปปรุงแต่งเรื่องงานไม่ต้องไปปรุงแต่งเรื่องคนนั้นเรื่องคนนีภนนนน้ภาระหน้าที่อันนั้นภาระหน้าที่อันนี้ซึ่งการปรุงแต่งประเภทพวกนี้มันทำให้ใจของเราเนี่ยมันสูญเสียพลังงานสูญเสียสภาพพลังของจิตใจไปมากแต่พอได้อยู่กับธรรมชาติถึงมันจะเป็นการปรุงแต่งตามสมมติ แต่มันเป็นสมมติที่ทำให้ใจของเราเนี่ยมันอยู่แล้วสบายอยู่แล้วเราก็ทำให้ใจของเราเนี่ยเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าตามความเป็นจริงได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นเราครูบาอาจารย์นักปราชญ์ต่างๆท่านก็จึงนิยมที่จะเปลีกตัวออกจากสังคมอันวุ่นวาย ได้เข้าไปอยู่กับธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่มันไม่ปรุงแต่งมากต้นไม้ภูเขาใบหญ้าสิงสารสาัาตว์มันก็ปรุงแต่งแต่มันไม่ได้หนักจิตหนักใจมากไม่ได้มีเกลือกกลั้วไปด้วยอารมณ์ของโลภะโทสะโมหะมากเหล่าครูบาอาจารย์นักปรักจึงจึงนิยมที่จะไปแสวงหาอารมณ์เหล่านั้น อารมณ์ที่มันจะทําให้ใจของเราไม่ปรุงแต่งมากจนเกินไปอยู่แล้วก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ได้ทําให้เราหนักอกหนักใจจนเกินไปแล้วก็เอื้อที่จะทําให้เราง่ายเป็นเงื่อนไขที่ง่ายนะที่เราจะมาพิจารณาว่าสมมติพวกเนี้ยความเป็นจริงพวกเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วมันเป็นอย่างที่ สมมติอันเนี้ยเที่ยงแท้ไหมคือใจเราอยู่ในสภาวะแบบนั้นเนี่ยมันปรุงแต่งน้อยมันก็จะทำให้เราเข้าสู่ความสงบได้ง่ายพอเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเราก็จะมีพลังที่จะนำไปใช้พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงที่ใจได้ ในตำนานกลับกันการที่เราอยู่ในเมืองอยู่ทางานเราก็บอกว่าเราก็พยายามพิจารณาอยู่แต่เราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเปรียบเทียบในระหว่างสองสภาวะซึ่งถ้าใครได้มีประสบการณ์แล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการที่เราอยู่ในวงสังคมอยู่กับคนหมู่มาก เกลื่อกลั่วไปด้วยอารมณ์ต่างๆต า, ต า, ตาหูจมูกลิ้นกายที่มันมากไปด้วยโลภะโทสะโมหระราคะมันทําให้เราพิจารณายากพิจารณาเราก็เข้าใจแต่มันเข้าใจในชั้นของสัญญาชั้นของตักกะเท่านั้นแหละแต่มันไม่ได้ซึ้งลงไปในความรู้สึกจิตใจว่าเห็นโทษเราก็จะปล่อยวางมัน แต่มันก็จะเป็นอารมณ์ที่คอยคัดค้านต้านทานอยู่แต่แน่นอนแล้ะมันไม่ได้สู้ง่ายเพราะว่ากำลังเรามีน้อยมันก็สู้ลำบากแต่ในํานองที่เราได้หลีกออกจากหมู่คณะได้ไปพักผ่อนไม่ยุ่งวุ่นวายกับหมู่คณะการงานต่างๆ เรามีเวลาที่จะทําความสงบใจมีความอิ่มใจให้มันเต็มที่เลยเราก็ใช้กําลังที่มีนำมาพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะบ้างให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาบ้างเหล่านี้เนี่ยเราก็จะได้รับผลของการปรารบความเพียรแบบนี้ได้ประจักษ์ใจ ในคาสอนที่ท่านว่ามันไม่เที่ยงมันก็เป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งลงไปในหัวใจของเราจริงๆว่าเออมันไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่แค่อยู่ในชั้นของความจริงตามตักกับที่เราเหมือนเราเรียนหนังสือกันนะความเข้าใจแบบนั้นเนี่ยมันยังแก้ทุก์ไม่ได้แต่ถ้ามันซึ้งลงไปในความรู้สึกเห็นแจ้งประจักษ์ใจอันนี้มันแน่นอนเลยมันเป็นผลที่มัน เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นผลจริงๆเน่มันไม่ได้เป็นผลแบบชั้นเปลือกเปลือกแต่มันเป็นผลชั้นของแก่นแก่นแท้ที่พระเจ้าต้องการให้ผลแบบนี้แหละปรากฏเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเวลาที่เรามีกำลังความสงบน้อยท่านก็เปรียบไว้เหมือนกับว่ามีดของเราเนี่ยมีดคือปัญญาของเราเนี่ย มันทื่อพอมันทื่อเนี่ยมันก็ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอยากจะฟันให้มันขาดมันก็ต้องฟันแรงๆฟันหลายครั้งแต่ถ้ามีดเราคมเนี่ยฟันนิดหน่อยออกแรงไม่มากมันก็ขาดไอ้ความคมของมีดความ คมของปัญญามันก็ต้องถูกรับด้วยสมาธิถูกลับด้วยความสงบใจนี่แหละเราจะบอกว่าปัญญาคือที่สุดที่เราต้องการเพื่อจะถอดถอนกิเลสมันก็ใช่แต่ถ้าความสงบกำลังสมาธิของเราไม่ดีมันก็เห็นผลจากการปฏิบัติได้ยากเหมือนกัน แต่สำหรับการที่เราจะต้องหาอยู่หากินเราต้องต้องคลุกคลีไปด้วยหมู่ผู้คนทั้งบ้านนอกบ้านที่ทำงานต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่เราจะทำให้มันบริบูรณ์พร้อมไปด้วยสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นการวิเว้ การได้หลีกออกจากหมูขคนณะก็เป็นเรื่องจําเป็นนะจะบอกว่าไม่ต้องก็ได้อะไรเงี้ยมันแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยยังทําเป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นนะแม้ว่าท่านจะไม่ต้องถอดถอนกิเลสแต่ท่านก็หลีกปลีกเว้นเพื่อความอยู่สบายในทิฏฐธรรมบางครั้งก็สามวันบ้าง 7วันบ้างเดือน1นบ้างที่จะห ล, ลีกเร่นอยู่ลาพังพระองค์ไม่ต้องวุ่นวายกับสังคมไม่ต้องวุ่นวายกับหมู่คณะแลวพอมันวุ่นวายมากๆนี่เรานักปราดท่านก็เลือกวิธีที่จะถ้ามันวุ่นวายมากก็ไม่ต้องวุ่นวายกับมันหนีได้ก็หนีใช่หมก็เหมือนตอนที่ พระทะเลาะ ก, กันนะ่ะพระพุทธเจ้าก็พูดบอกแล้วสอนแล้วยกตัวอย่างเทียบเคียงให้เห็นโทษแล้วก็ยังไม่คลายทิฐิมานะกันมันก็สุดที่จะสั่งสอนได้ณนะตอนนั้นนะแต่ถ้าจะให้อยู่อยู่แล้วก็ยังทะเลาะ ก, กันไม่คลายทิฐิมานะอยู่ไปมันก็ลำบากใจอยู่ไม่สบายใช่ไหมวุ่นวาย เดี๋ยวคนนั้นก็จะเรื่องนี้คนนี้ก็จะเรื่องนั้น เ, เดี๋ยวก็ต้องเอามาฟ้องอีกมันก็วุ่นวายบอกแล้วไม่ฟังบอกแล้วไม่เชื่อเอางั้นไปดีกว่าก็เข้านู่นเลยไปป่าเร่รนะก็มีช้างแล้วก็ลิงอยอุปถักต์ตลอดพรรษานั้น อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นด้แล้วว่าความสงบสำหรับผู้ที่เสร็จกิจของจิตใจแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ลดเลยท่านก็รักษาพยายามรักษาให้ดีด้วยไม่พยายามหาเหตุปัจจัยที่มันจะมาทำลายความสงบของจิตใจมาก่อกวนญวุ่นวายจิตใจ มันไม่ใช่เหมือนอย่างภาพที่เวลาเสร็จกิจแล้วบรรลุผลเป้าหมายแล้วก็จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ยังไงก็ได้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะเป็นภาพลักษณ์ที่มันไม่ไม่ใช่ไม่ถูกเวลาพระอรหันต์สมัยพุทธกาลเขาเจอกันนะเวลาเขาทักกันเขาก็ทักกันว่า พออดทนไหมพออดทนได้ไหมซึ่งมันทําให้เห็นว่ามันมีแต่ทุกข์อ่ะทัดขันมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันแบกขันแบกทัดขันไว้มันก็เป็นทุกข์นะขันมันก็พลอยอยาจะหาเรื่องแตกสลายไปยังไงล่ะนั่งนานๆโดยท่าเดียวอยู่อย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องคอยเปลี่ยนอิริยาบถให้มันก็เรียกว่าบริหารทัดขันกันไปใช่ไหมนั่งมาก ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอิริยาบถอื่นบ้างนอนบ้างเดินบ้างยืนบ้างสลับไปไม่ใช่ว่าบรรลุแล้วเสร็กิจทางจิตใจแล้วทำอะไรก็ได้ไม่มีผลไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาเรียกว่าเข้าใจผิดเวลาคนที่ตั้งเป้าหมายผิดผิดแบบนั้นเนี่ยจะไปในรูปแบบนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกับว่า เราอยากจะเอาพระจันทร์กับพระอาทิตย์มาทาเป็นล้อรถอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกซึ่งถ้าเราต้องการผลที่ได้เงื่อนไขแบบนั้นเนี่ยให้เกิดอีกกี่สิบชาติร้อยชาติหมื่นชาติกี่กับแสนกับอะไรเงี้ยก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ใช่เหตุที่มันจะเป็นไปได้ก็ย้อนกลับมาตรงที่ว่ามันก็คือคนธรรมดาใช่ไหมล่ะ คนธรรมดาที่รู้วิธีบริหารจิตใจให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ไม่ทุกข์ไม่มีความทุกข์เหตุของความทุกข์เราก็ละคสมุทัยอ่ะกิจที่ต้องทําคือละไม่ว่ากิจของสมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์อ่ะเราไม่ละแล้วเราก็อยู่กับมันได้แล้วมันจะไม่ทุกข์มันก็ไม่ใช่ยังไละ่ะเพราะว่าเราแจ้งในอริยสัจ ส, สี่อ่ อันไหนที่มันเป็นเหตุของความทุกข์มันก็ต้องละไปความวุ่นวายมันก็เป็นเหตุที่จะทำให้ความทุกข์มันเกิดใช่ไหมล่ะถ้ามันวุ่นวายมากมันก็ต้องแก้ไขอะไรไม่ได้ไม่มีเงื่อนไขอะไรที่มันจะทำให้มันดีได้ก็หนีซะก็ง่ายๆแต่คารวาหรือบุคคลที่ปฏิบัติธรรมยังจะต้อง ขวนขวายในกิจอันนี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่เนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้ดั่งใจหรอกคอนดิชันต่างๆความที่มีภาร ะ, ระหน้าที่การงานต่างๆมันก็คอยผูกรั้งเรามันก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละแต่มันก็มองได้หลายแง่แง่หนึ่งก็คือว่าเราสลับไม่ได้ใช่ไหมเงื่อนไขเหล่านี้ มันก็มองได้ทั้งในแง่ที่ว่ากิเลสแบบสร้างเงื่อนไขให้เราไม่ได้ทำความดีไม่ได้พาสร้างเงื่อนไขดีๆมีการหลีกเล้นเป็นต้นนี่ จ, จะมองในแบบทำมันก็มองแบบนี้ได้แต่บางทีมันก็บอกว่ามันสุดตรงไปไหมล่ะถ้ามันก็ต้องหายอยู่หากินนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความพอดี มีความพอดีว่าเราจะดูแลแต่เฉพาะปะจัจจัย4ี่ธาตุสอย่างเดียวหรือแต่ถ้าเรามุ่งเน้นไปแต่ปจัจจัย4ี่ธาตุสแน่นอนว่ากิเลสมันเอาไปสอยแล้วสอยกินเรียบแต่ถ้าเรายังมีจิตใจที่ยังเผื่อมาทางธรรมคือพยายามที่จะดูแลจิตใจพยายามที่จะก้าวข้ามให้มันพ้นจาก โลพาโทสะโมหะรคะให้มันเป็นผู้ที่ขึ้นชื่อว่าห่างไกลาจากกิเลสเราก็จะต้องหาเวลาเหมือนกันว่าเราจะมาพัฒนามันยังไงมันมีอุปสรรคตรงไหนเราจะพอดมันยังไงหลบมันยังไงสู้มันยังไงเอาอย่างช่วงก่อนนี่เขาพยายามไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัดใช่ไหมเครื่องบินก็ไม่บิน เวลาจะไปจังหวัดน้นจังหวัดนี้เขาก็มีตรวจตราเยอะแยะแถมไปแล้วก็ต้องกักบริเวณอีกทั้ง14วันมันก็เป็นการสร้างเงื่อนไขให้เราเดินทางยากนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าเราก็จะเดินทางลำบากเดินทางไปหาที่ที่เราจะหลีกเล่นลำบากแ น, น่นอนอันนี้สถานการณ์มันบังคับมันก็สู้กันไปก็พยายามสู้สู้ในแบบ อันนี้เงื่อนไขมันจำกัดแต่ถ้ามันกลับเป็นเงื่อนไขปกติที่เราเดินทางได้สะดวกหาเวลาว่างเป็นเวลาหลายๆวันหน่อยได้พักร้อนหลายๆวันเราก็ได้ใช้เวลาที่มันจะไม่ต้องมาคลุกคลีอยู่กับสังคมให้มันวุ่นวายมากจนเกินไปไม่ต้องมาวุ่นวายเกี่ยวกับงานน้มันมากจนเกินไปแล้วก็มีเวลาที่เราจะได้ไป ปลีกวิเวกบ้างไปทําความสงบเติมอาหารใจให้มันเต็มที่ในช่วงระยะเวลาที่เรามีเวลาแต่ถ้าเกิดเรามีเวลาอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเลือกที่จะใช้ไปในทางหาเงินเลือกที่จะใช้ไปในทางเสพการรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความเพลิดเพลินไปในทางกาม มันก็ชี้ให้เห็นนั่นแหละว่ากิเลสมันก็มีพลังมากกว่าธรรมะมีพลังสำหรับจิตใจของเรามากกว่าธรรมะแต่ถ้าเราไม่ฝืนไม่พยายามหาอุบายที่จะฝืนกิเลสพวกนี้เนี่ยความดีต่างๆมันก็จะเกิดได้ยาก เพราะว่ากิเลสมันก็จะต้องพยายามขัดขวางไม่ให้เราได้ทำความดีไม่ให้เราได้มีส่วนที่เราจะรักษาสีในบริบูรณ์ให้เราได้ทำความสงบใจได้ดีมีความผ่องใสห่างไกลเพราะว่าสงบระงับกิเลสลงไปได้ด้วยความสงบใจใจก็เบิกบานผ่องใสขึ้นมาได้ เป็นเบื้องต้นมันก็ต้องพยายามกีดกันความดีงามเหล่านี้พยายามสร้างเงื่อนไขไม่ให้เราได้ไปสู่เงื่อนไขของความสงบใจเป็นการสร้างเงื่อนไขไม่ให้เราได้ไปพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะได้ไง่ายๆคำว่าเห็นโทษเนี่ยเห็นด้วยความคิด มันก็มีพลังระดับหนึ่งมีความเข้าใจตามตักกะมันก็มีพลังระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไม่พัฒนามันก็จะกลายเป็นเหมือนกับหมอนทุกวันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศโทษของกามโทษของกิเลสเท่าไหร่ล่ะสองพเกือบ 2,600 ปีมาแล้วเนี่ย ประกาศมาตั้งแต่นูน้นจนสมัยนีย้ทุกคนก็ไม่ไม่เถียงทุกคนก็ยอมรับในคำสอนที่พระองค์ประกาศเอาไว้แสดงเอาไว้แต่สิ่งที่เป็นกันอยู่ณนะปัจจุบันแม้แต่สังคมชาวพุทธของเราก็ตามเนี่ยใจของเราก็ไม่ได้เห็นโทษไม่ได้เห็นถึงความน่ากลัวไม่ได้เห็นถึง โทษภัยของกิเลสเลยเข้าใจมัหยเข้าใจแต่เข้าใจแล้วไม่ได้ทาตามในสิ่งดีๆก็ยังทาตามกิเลสบงการอยู่อันนี้มันก็ทำให้เห็นว่าไอ้ความเข้าใจทางตักกะเนี่ยมันยังมีพลังไม่มากพอเพราะฉะนั้ น, นจึงจาเป็นต้องสร้างมันขึ้นมานะพลังใจในส่วนที่เราจะสู้กับกิเลส ต้องเป็นส่วนเสริมส่วนสร้างสร้างมันขึ้นมาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นมาพอฟัดพอเหวี่ยงสู้กับกิเลสไม่ใช่มันจะต้องสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาจากไหนจากการที่เราได้รู้ได้เข้าใจตามตักกะนี่แหละพอเราเห็นโทษถึงแม้ว่ากาลังใจไม่มีแต่มันมีศรัทธาเท่าไหร่แล้วก็ลงมือทำตามศรัทธาของเรานั่นแหละ ทำแล้วมันได้ผลเนี่ยความมั่นใจความแน่ใจในผลของความดีมันมีมากขึ้นแน่นอนพอมีมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะต้องทําได้ดีขึ้นมีแก่ใจที่เราจะอดทนต่อการบงการของกิเลสที่มันดีขึ้นนําเวลามาใช้ไปในทางธรรมะมากขึ้นมีสัมมาสติที่มากขึ้น มีความอดทนต่อผัสสะที่จะเป็นไปในทางเพลินไปในทางการ ม, มากขึ้นหันมารักษาดูแลจิตใจให้ใจมีเครื่องอยู่กับคำบริกรรมคือพุทโธหรือลมหายใจได้ดีขึ้นบ่อยขึ้นที่ขึ้นพอมันดีขึ้นเราก็พยายามพยายามพยายามทาให้มันดีขึ้นไปเรื่อย แต่แน่นอนแล้วกิเลสนี่มันก็เป็นเจ้าของวัตตะวันอันนี้ครอบงำกุมหัวใจหมู่สัตว์ได้มาต้องไม่รู้เท่าไหรเท่าไรมันก็ไม่ยอมแน่นอนแหละมันก็ต้องพยายามขัดขวางไม่ให้เราได้ทำความดีอย่างต่อเนื่องมันก็ต้องมีเหตุผลกลูบายที่มันจะมาคอยหลอกล่อให้เราคิดไปในแนวทางของมัน คิดไปนในแนวทางที่เราจะไม่ได้ทําความเพียนคิดไปนในแนวทางที่เราจะสั่งสมอารมณ์แล้วก็ไม่ได้สั่งสมอารมณ์ไปในทางที่ว่าอารมณ์ที่เราจะหลีกไกลจากโลภะโทสะโมห oh ะด้วยให้เราเห็นความสําคัญเป็นสาระของสมมติต่างๆว่ามันมีความจําเป็น มันมีความปีบคั้นที่เราจะต้องคอยบริหารจัดการเรื่องราวสมมุติเหล่านั้นแต่ถ้าธรรมะได้ออกหน้าแล้วเนี่ยมันก็จะต้องฟาดฟันกันแหละตายแล้วเราเอาไปได้ไหมตายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่อยู่แล้วเนี่ยงานที่มันมีเนี่ยมันจะมีคนทำแทนไหม อย่างคนที่จะลาออกจากบริษัทเนี่ยลาออกจากงานเนี่ยหัวหน้าส่วนมากก็จะแบบเอออย่าลาออกเลยนะถ้าเกิดคุณไม่อยู่งานมันก็เดินไม่ได้หรอกเดินลำบากหาคนมาแทนตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้เลยเรอหาคนมาแทนก่อนได้ไหมอ่ะเราค่อยไปอันนี้ก็เทียบเคียงให้ดูนะว่ากิเลสมันก็จะหลอกล่อเราองนี้แหละ แต่พอเราเอาเข้าจริงๆนะเราไม่อยู่หรือว่าเราลาออกนะตอนนี้นะ้าบัดเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เกินอาทิตย์นะ่ยมันต้องมีคนมาทำแทนแน่นอนส่วนมันจะล้มลุ ก, ลกคลานบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่สุดท้ายเขาก็จะแก้ไขปัญหาณนะตรงนั้นนะ่มันก็จะต้องเข้าสู่สภาวะปกติได้แน่นอน ดีไม่ดีได้คนที่มันเจ๋งกว่าเราก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้หรือได้คนมาใหม่มีมุมมองทัศนคติต่องานในอีกรูปแบบหนึ่งที่มันอาจจะตอบโจทย์มากกว่าเดิมก็ได้แล้วพอเรานึกถึงความตายบ่อยๆเราก็จะเข้าใจว่าเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นแต่อย่าลืมว่าประโยชน์ของเราเนี่ยเรา ก็ไม่ควรละเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะได้ชื่อว่าเราเนี่ก็เบียดเปียนตนเองประโยชน์ที่เกิดกับคนอื่นเนี่ยท่านก็เปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าประโยชน์ของคนอื่นแม้มากแต่ประโยชน์เราไม่ได้เลยแม้การกระนิกหนึ่งอย่างเงี้ยการกระนิกก็เหมือนสตางอารมณ์คล้ายๆเหมือนกับเศษสตังสมัยของเราเนี่ยมันนึ่งบาท มีร้อยสตางค์อย่างเี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าทําประโยชน์แต่คนอื่นน่ยแต่ประโยชน์ของตัวไม่ได้เลยแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยพระพุทธองค์ก็ไม่สรรเสริญนะก็ไม่ได้สรรเสริญเพราะว่าเครียกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีความประมาทอยู่ในตนเราเกิดมาเนี่ยเราต้องพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นออกจากวงจร น, นั้นนี้ แต่ถ้าเราไม่ได้เห็นถึงว่าเราจะต้องทาตัวให้หลุดออกจากไอ้วงจรวัตวตะวนันนี้แสดงว่าเราไม่เห็นภยัยเราเป็นผู้ไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยในวัตฏะแต่สำหรับบุคคลผู้เห็นโทษเห็นภัยในวัตฏะเขาก็จะไม่ประมาทเขาก็จะไม่เพิกเฉยไม่ละเลยต่อการที่จะพัฒนาให้จิตใจเนี่ย มีศักยภาพที่จะนำจิตใจตนไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์ให้มันได้ไม่ให้ใจเนี่ยเห็นความสำคัญแต่ด้านสมมุติภายนอกปัจจัยสี่เหล่านี้แต่โดยถ่ายเดียวแต่ถ้าไม่มีคำสอนนี่มันพูดยากนะเพราะว่าเพราะไม่มีคำสอนเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นภยัยเห็นโทษในวั ต, ตะเนี่ย แล้วหาช่องทางที่จะหลุดพ้นออกจากวัฏฏะเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแต่เราโชคดีนะได้มาอยู่ในศาสนาเกิดมาในยุคสมัยที่มีพระพุทธเจ้ามีคำสอนมีสาวกที่คอยนำสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ได้ผลประจักษ์แล้วเนี่ยเอามาคอยชี้แนะคอยเป็นกัญนาณมิตรให้กับเราได้ ก็อย่าละเลยที่จะใช้ช่วงเวลาก็ต้องบอกช่วงเวลาทองของเราเนี่ยให้มันเต็มที่แต่เราจะใช้ได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็ต้องไม่เนิ่นช้านะก็ะต้องพยายามไม่ผูกตัวเองไว้กับเงื่อนไขต่างๆที่มันจะทำให้เราเนิ่นช้าไปแล้วเงื่อนไขอันหนึ่งเนี่ย ที่จะทำให้เราไม่เนิ่นช้าก็คือการที่เรารู้จักที่จะแบ่งเวลารู้จักที่จะปลีกเวลาของเราเนี่ยออกมาทำความสงบปลีกเวลาที่เราจะไม่คลุกคลีด้วยหมู่เพื่อที่เราจะได้ทำความสงบใจมีกำลังทางจิตใจที่มันเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นชำนิชำนานมากขึ้น ที่พูดมา ก, ก็อยากจะบอกว่าก็ต้องพยายามเนะ่หาเวลาหาเวลาที่จะให้กับตัวเองด้วยหาเวลาที่เราจะไม่ต้องคลุกคลีด้วยหมูไม่ใช่แบบสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะอันนั้นเะน่เป็นสิ่งจำเป็นในแต่ละวันอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าในหนึ่งเดือนหรือในรอบครึ่งปี หรือในรอบหนึ่งปีเนี่ยมันก็ควรจะมีเวลาต่อเนื่องสักสักหน่อยหนึ่งหลายๆวันหน่อยเพื่อที่เราจะได้มีเวลาทำความสะอาดจิตใจได้อย่างเต็มที่อย่างเวลาครบปีทั้งบ้านบริษัทหรือสถานที่ไหนๆเนี่ยเขาก็จะมีค่านิยมที่เขาจะทำความสะอาดครั้งใหญ่ใช่ไหมบิ๊กคลีนนิ่ง เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทำความสะอาดทุกวันแต่มันเป็นการทำความสะอาดแบบเล็กๆน้อยๆมันก็จะต้องมีความสกรปรกตรงนั้นที่เรายังไม่เคยได้ทำตรงนี้ที่เรายังหมักหมเอมาไว้เราก็จึงต้องมีเวลาเวลาที่จะหยุดงานทั้งหมดเพื่อที่จะมาทำความสะอาดอย่างภายนอกเนะี่ยเราก็จะถือกันว่าเอาสิ้นปีนี่แหละ เป็นเลิกงามยามดีที่เราจะทำอะไรดีๆต้อนรับปีใหม่จากสถานที่ที่มันยังไม่สะอาดเท่าที่ควรยังไม่เนียบเราก็ทำให้มันสะอาดให้มันเนียบต้อนรับปีใหม่เพื่อให้มันดูเป็นมงคลกับชีวิตะชั้นใดชั้นนั้นนั่นในทางด้านจิตใจมันก็ต้องหาโอกาสเลิกงามยามดีให้กับตัวเองบ้าง เพื่อที่จะมีเวลาที่เราจะได้หยุดทุกอย่างเพื่อที่จะมาทำความสะอาดจิตใจอย่างจริงจังอาจจะมีเวลา3วัน5วัน7วันอะไรก็แล้วแต่แต่มันจะต้องมีอ่ะไม่มีมันก็ไม่ดีก็เหมือนกับเราทำงานทั้งวันทั้งคืนหรือว่าทำงานทั้งปีทั้งชาติไม่เคยทำความสะอาดกับสถานที่ทำงานของเราเลย กับคนที่เขามีเวลาที่เขาจะเสียสละวันสองวันเพื่อที่จะมาทำความสะอาดสถานที่ทำงานให้มันน่าอยู่ให้มันสะอาดสะอา้านเราก็เปรียบเทียบได้อยู่แล้วว่าแบบไหนมันดีกว่ากันเพราะันการที่เราได้หยุดมันเป็นการหยุดเพื่อที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะไปต่อหยุดความวุ่นวายภายนอก เพื่อที่จะก้าวไปทางด้านจิตใจก็ต้องพยายามหยุดหาเวลาหยุดหยุดความวุ่นวายเพื่อที่จะมีความสงบทางจิตใจแล้วก็มีเวลาที่เราจะได้เอาไปสู้กับกิเลสให้มันเต็มที่